พระธรรมเทศนาแผ่นที่เจสลำดับที่ย0สิบโดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่18ทธันวาคม2557หมีชื่อเรื่องว่าอานิสง์การดูแลพระสงฆ์อาพาธาวันนี้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 จากนั้นก็เริ่มพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาฏณนะครงการ168แพททีนัมเลขที่168หมู่ที่6ตมบลนาดีอำเภอเมืองจังหวั ด, วดรธานี ในวันพระหัสที่18ธันวาคมพุทธศักราช2557ต่อนนี้ไปคณะผู้จัดงานก็ได้กล่าปราดนานิ ม, มนต์พระสงฆ์หรือว่ากล่าวประหานานิ ม, มนต์หลวงพ่อเป็นองค์แสดงธรรมก่าวสมโอธนิยกตถาในงานถือว่างานนี้เป็นงานมงคลมหามงคลยิ่งที่ยก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมราชินี เ, เป็นต้น เ, เป็นที่เคารพสักการะของพวกเราเพราะฉะนั้นพวกเราในฐานะประสบนิกรทั้งหลายาได้น้อมใจกันเพราะว่าวันที่ห้าที่ผ่านมาพวกเราก็ได้ทําอารพสักการะแต่ละสํานัก อ, อย่างพระสงฆ์อย่างวัดของหลวงพ่อนิกก็ได้เจริญพระพุทธมนตรในสํานักงาน ต่างๆทั่วประเทศก็คงจะได้แสดงออกซึ่งความเคารพสักการะแต่วันนี้พวกเราก็ยังมีท้งบริษัทแพทดินัมของพวกเราก็ยังได้จัดงานขึ้นมาอีกเพื่อให้ชักชวนพี่น้องประชาชนได้มาร่วมกันแสดงออกซึ่งมุทิตาสักการะและก็พร้อมกันได้จะมีการทอดผ้าป่าสามัคคี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 ได้ตั้งมูลนิธิที่โรงพยาบาลศรีนครินจังหวัดขอนแก่นอันนั้นก็คือที่แร ก, กว่าทุนนิธิอ่าจังไม่ใช่มูลนิธินะทุนนิธิหลวงปู่เทศเทศรังศีวัดป่าวัดหินหมักแป้งต่อมาเราขึ้นมาสร้างตึกชั้นสิบของโรงพยาบาลศรีนครินตึกสมเด็จยา่าตึกรเราไปคล้ายๆกับไปปูรณะหรือว่าไปทำในชั้นที่สิบ ของโรงพยาบาลศรีนครินตอนนี้เมื่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะตั้งชื่อว่าอย่งไรถ้าจะตั้งชื่อว่าหลวงปู่เทศเทศรังสีก็มีลูกศิษย์หลวงปู่ขาวหลวงปู่ฟัน่นหลวงตามหาบัวมิหลายองค์ถ้าเราตั้งชื่อว่าหลวงปู่มั่นซะเพราะเป็นต้นตระกูลของพระกรรมฐานเนี่ยดีไหมคะณะกรรมการทั้งหลายก็เห็นด้วย ทางลูกศิษยานุศิษย์ทางหินหมักแป้งก็เห็นด้วยเพราะว่าเป็นส่วนกลางส่วนรวมควรจะเป็นมูลนิธิหลวงปู่มั่นก็ได้ตั้งชื่อว่ามูลนิทิหออภิบาลมูลนิธิหออภิบาลสงหลวงปู่มั่นโูริทัตโตน่นี่ก็ครูบาอาจารย์พระสงฆ์พระเทรามหาเทระก็ได้เข้าไปโรงพยาบาลแล้วเข้าไปในตึกหลังนี้ ดูแลสงทางหมอทางพยาบาลก็ได้ดูแลประสงค์ครูบาอาจารย์หลวงพ่อเขว่า ป, ประสบผลสําเร็จดีมากดีเยี่ยมทีนี้ก็โรงพยาบาลศูนย์อุดรของเราโรงพยาบาลอุดรของเราเนี่เป็นโรงพยาบาลอยู่ในกลุ่มหลายจังหวัดแล้วก็เป็นโรงพยาบาลของพ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยเฉพาก็ยังเย่ยงองหลวงตามหาบัวได้มาสร้างตึกสิบชั้น ที่โรงพยาบาลจากนั้นก็มีพระสงฆ์ในกลุ่มของพวกเรามีจังหวัดหนองคายเบิงการสกล น, นครน้องบัวลาพูจังหวัดเลยเและก็ในแถบนี้ก็เป็นมีแต่พ่อแม่ครูบาอาจารย์พระสงฆ์พระเทรานุเถระเยอ ะ, อะในในอีสานเหนือของพวกเราก็ถือว่าจังหวัดอุรานเป็นจังหวัดที่ มีครูบาจัจารย์มากที่สุดในกลุ่มในกลุ่มทางอีสานเหนือเพราะนั้นหลวงพ่อเองก็บอกว่าหลวงตาสร้างตึกขึ้นมาแล้วน่าจะมีมูลนิธิร อ, รองรับพระสงฆ์เหล่านี้แต่คือพระสงฆ์เหล่านี้เมื่อเข้ามาโรงพยาบาลหลวงพ่อก็ทราบเรือหมอหรือพยาบาลอาจจะนั่งอยู่ที่นี่ก็ได้นะแต่หลวงพ่อก็จะพูดให้ฟังว่า เมื่อพระสงฆ์เข้ามาป่วยในโรงพยาบาลศูนย์อุรอนเนี่ยเสร็จแล้วเมื่อหายป่วยแล้วท่านจะกลับวัดบางองค์ไม่มีเงินค่ารถกลับพยาบาลกับหมอเออก็แชร์เงินกันเพื่อนําสงพระสงฆ์ที่ท่านป่วยส่งถึงวัดของท่านแล้วก็พระสงฆ์ที่มาป่วย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 อันนี้ก็เป็นปัญหาในโรงพยาบาลศูตรอุรออดอรของเราเพราะนั้นหลวงพ่อมาคิดถึงจุดนี้จึงได้คิดว่าน่าจะมีมูมนิธิรองรับพระสงฆ์ที่มาป่วยแล้วก็พร้อมกันในเมื่อพระสงฆ์ท่านป่วยลงแล้วแล้วก็องไหนที่จะต้องได้ใช้มูมนิธิยาบางตัวมีราคาแพง โรงพยาบาลก็ไม่กล้าใช้เพราะว่ายาบางเม็ดมันราคาสูงโรงพยาบาลถ้าเรามีโมนิทิอยหลวงปู่มั่นอย่างหอพิบาลหลวงปู่มั่นเมื่อคราวที่แล้วพระเถระท่านหนึ่งท่านป่วยแต่ทางโรงพยาบาลสีนขรีนบอกว่าจะได้ใช้ยาเพราะตรวจ ด, ดูแล้วจะต้องต้องได้ใช้ยาเกี่ยวกับการป่วยของ พระเียระท่านนี้เพราะว่าเราจะใช้เคมีบําบัดยาเคมีบําบัดแต่ว่ายาเข็มละแสนจะได้ใช้อยู่แปดเข็มแปดเดือน เ, ออเดือนละเข็ม8ดเดือนก็ว่าแปดแสนท่านทางหมอและพยาบาลเขาก็มามาถามหลวงพ่อวันในฐานะหลวงพ่ออินเนี่ยเป็นประธานมูลนิธิเนี่ยจะใช้เงินไหม 8 แ, แ, แสนหลวงพ่อก็อืมถ้าหากว่ามันหายไหมบอกว่าหายพอได้ทดลองทดสอบดูแล้วเกว่าถูกกับยาเคมีบาบัดพอใส่ยาเข้าไปรู้สึกว่าเชื้อมาเลงสงังกหลวงพ่อก็เออเอาเอาเลยหลวงพ่อก็โอนเงินจากทุนนี้ที่เข้าไปเพื่อรักษา5แสนบาท อีก3 0 0แสนนั้นเอาไว้ก่อนนะเผื่อสิทธิ์ญาณุสิทธิ์ของท่านเมื่อทราบข่าวแล้วท่านจะได้ร่วมสมทบกันเข้ามาแต่ถ้าหากว่าไม่มีนะบอกมาอีกเดี๋ยวจะโอนไปให้ครบทั้ง8 0 0แสนนี่แหละโรงพ่อก็ได้ใช้จ่ายอย่างนั้นมีประโยชน์สำหรับดูแลพระสงฆ์อาพาธที่โรงพยาบาลศรีนครินแต่นี้มาพูดถึงโรงพยาบาลศูนย์อุดรโรงพ่อก็ได้ตั้งโมงนิธิคืนมาก็มีนี่แหละ ท่านประหลัดจังหวัดของเราเนี่ยนะท่านนิคมอะไรนามสกุลเนี่ยประหลัดจังหวัดของเราใหม่เนี่ยนะจากมามาจากอําเภอกุมภวาปีเนี่ยหลงพ่อก็จํานามสกุลทั้งที่เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อเนี่ยแหละแต่เป็นกรรมการท่านหนึ่งในมูลนิธิแล้วก็พาออนนันแล้วก็มีทางโรงพยาบาลด้วยทั้งหมดมีสิบห้าท่านนะ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 ที่จะเอาชื่อต้นนามสกุลของหลวงตาเนี่ยมาใช้ตอนนี้พอเราเตรียมเสร็จแล้วก็ให้คุณหมอโรงพยาบาลศูนย์อุดรเนี่ยะ เ, เข้าไปหาทางญาติของหลวงปองหลวงตาและญาติของหลวงตาท่านก็ปฏิเสธมาว่าไม่ไว้ใจเพราะว่ามูลนิธินี่พอตั้งขึ้นมาแล้วอาจจะไปเลี่ยไรอาจจะไปหาเงินทาให กิตติสัพชื่อเสียงของหลวงตาเสียหายเพราะฉะนั้นให้ไม่ได้เพราะหลวงตาก็จากไปแล้วไม่รู้ใครจะรับรองทั้งหมอทางพยาบาลหมอพยาบาลก็กลับมาบอกว่าไม่ได้ท่านอาจารย์เพราะว่าทางญาติของหลวงตาไม่อนุมัติหลวงพ่อเออใช่อันนี้ก็มีส่วนมากๆเหมือนกันถ้าหากว่าไม่มีผู้ดูแลก็ทําให้เมื่อเราได้ชื่อของท่านแล้วอาจะไป โบกาวเลี่ะไรว่ะ น, นี่มูลนิธิของหลวงตามหาบัวนั่นอ่ะไปหาเลีอะไรก็ทำให้กิจจิประชื่อเสียงขององค์หลวงตาเสียได้อีกเหมือนกันเอาเถอะหลวงพ่ออินเนี่ยเจนเป็นผู้ที่เริ่มเป็นผู้คิดแล้วก็ได้ทำมากับโรงพยาบาลศรีนครินมาแล้วรู้สึกว่าได้ผลดูแลพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระสงฆ์มาโดยตลอดข่าวนี้ก็คิดว่าน่าจะ เกิดประโยชน์เหมือนกันถือยังไงใครจะเรียอะไรแผ่ขออย่างไงหลวงพ่อก็ยังดู้ดูรู้รู้อยู่ถ้าออกนอกลู่นอกทางหลวงพ่อก็คงจะปรามได้เอาเอาชื่อหลวงพ่อออกขายก่อนก็แล้วกันก็เลยตั้งชื่อว่าโมนิเทพระอาจารย์อินถวายเพื่อดูแลสงอาพาสโรงพยาบาลอุดรธานีนะีอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งแต่หลวงพ่อเองก็เลยพูดกับ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 เพราะว่าไม่มีพิษมีภัยอะไรญาติพี่น้องของหลวงตาก็คงจะอนุมัติตั้งชื่อว่าโมนิธิหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนในเมื่อมีโมนิธิหลวงตามหาบัวขึ้นมาแล้วโมนิธิหลวงพ่ออินถวายนีย่ก็จะยบโมนิธินี้เข้าไปรวมเป็นโมนิธิขอองหลวงตาเพื่อให้เป็น เ, เกียรติประวัติขององค์หลวงตาดูแลพระสงฆ์อาพาธต่อไปภายภาคหน้านะสรุปแล้วหลวงพ่อเองไม่ได้อยากจะได้หน้าอยากจะได้ตาไม่ได้อยากจะมีอะไรอย่างที่หลวงพ่อได้เรียนให้ภาคคณะสงฆ์หรือคณะสัตธายาตโยมได้ทราบท่วนโคทั่วคร ท, วทัวกันและก็พร้อมกันเมื่อไม่นานมานี้ทางขออโรงพยาบาลศูนย์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 บอกว่าผ้าหากว่าพระเข้ามาโรงพยาบาลศูนย์อุดรเนี่ยพอเข้ามาถึงแล้วก็ไม่รู้จะไปติดต่อไปสารงานกับท่านผู้ใดเดินป้วนเปี่ยนตัวเตะไปมาบางทีถ้าจะไปเลียงคิวกับคารวาสมันดูก็ไม่เหมาะถ้าจะเข้าไปรัดคิวดูก็ไม่เหมาะไม่รู้จะทำยังไงแล้วก็ผ้าก็เดินไปป้่นเปื่อนไปป้่นเปี่ยนมากว่าที่จะได้รับการ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 แต่เมื่อกี้นี่ถ้าจะไม่พูดให้คณะราษฎรญาติโยมฟังซะเลยก็คิดว่าพระสงฆ์อย่างหลวงพ่อนี่ได้ช่วยเหลืออะไรบ้างในโรงพยาบาลแต่โรงพยาบาลสูนยอุดรหลวงพ่อได้ซื้อรถแอมบอลแอนนะคณะราษฎรญาติโยมคันหนึ่งให้มอบให้โรงพยาบาลเมื่อไม่นานมานี้นะอันนี้กัราคาเล้านาฬกนะแล้วก็ตึกหนีไฟหลวงพ่อกําลังสร้างอยังไม่เสร็จนะสำหรับให้พี่น้องประชาชนคน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 ราคาล้านเจนะกระส่งให้แล้วนะและกระรงพยาบาลศรีนครินหลวงพ่อก็ซื้อเครื่องมือแบบชนิดเดียวกันรนะาคาร้านเจ็เหมือนกันเครื่องผ่าตัดด้วยความถี่สูงเลือดไม่ออกนะผ่าตัดแล้วเลือดไม่ออกนะและก็พร้อมการหลวงพ่อก็ได้ไปทอดออผ้าป่าสามาัคคีให้โรงพยาบาลชุมแพเมื่อไม่นานมานี้และก็ซื้อเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลเอกนะ เพื่อเครื่องผ่าตัดด้วยความถี่สูงแต่เป็นบริษัทอจอร์นสันประเทศไทยอันนี้ก็ซื้อให้เรียบร้อยแล้วนะล้านตัว น, นั้นนะชุมแพล้านสีนักคลรินล้าน7โรงพยาบาลศูนล้านะฮะแปลว่าหลวงพ่อเองก็ได้ช่วยทางโรงพยาบาลนะคณะญาติโยมโลูกหลานนะนี่แหละทางว่าหลวงพ่อไม่พูดให้ฟังพวกคณะญาติโยมทั้งหลายคงไม่รู้ ว่าพระสงฆ์อยู่ในป่างรงพงไัยได้ช่วยเหลือชุมชนสังคมอย่างไรบ้างแต่เมื่อพูดอย่างนี้แหะบางท่านบางคนก็เอยหลวงพ่ออินทำมาแล้วแหะขี่อวดอวดหน้าอวดหลัง อ, อย่าไม่ใช่อวดนะลูกหลานนะหลวงพ่อพูดตามความเป็นจริงให้ฟังน ะ, เ, ะเพราะฉนั้นหลวงพ่อ น, นี่ยได้ช่วยเหลือชุมชนสังคมไม่ใช่แต่เช่านั้นนะโรงร่ำโรงเรียนหลวงพ่อก็ได้ช่วยสาธารณประโยชน์ให้กับลูกหลาน หลวงตาพาดําเนินหลวงตาท่านช่วยสงเคราะห์เราในฐานะลูกศิษย์ไม่ใช่วัดลอยหลวงตานะเดินตามเหมือนเราเดินตามรอยพระพุทธเจ้าอย่างนั้นพระพุทธเจ้าพาดําเนินอย่างไรให้มีศีลมีธรรมอย่างไรพวกเราก็มีศีลมีธรรมตามพระพุทธเจ้าเดินตามแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านพาดําเนินอย่างไรนะเพราะฉะนั้นขอตมาเองก็ได้ มาในสถานที่แห่งนี้วันนี้ก็ถือว่า เ, เป็นวันที่พวกเราจะได้ร่วมกันทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อให้มูนิทิพระอาจารย์อินถวายไม่ใช่ให้หลวงพ่อนะอย่าไปคิดให้หลวงพ่อนะคณะกรรมการที่จะสั่งจ่ายเงินตัวนี้มีอยู่ห้าท่านนะและมีทั้งหมดมีอยู่15หท่านผู้มีสิทธิหลวงพ่อจะไปเซ็นจ่ายสั่งเงินคนเดียวไม่ได้เด็ดขาดตั้งห้าคน ในห้าคนแล้วก็มีการตรวจบัญชีหรือปีหนึ่งมีมีครั้งหนึ่งที่ตรวจบัญชีว่าใช้จ่ายอะไรไปบ้างเพราะในเงินที่เข้าบัญชีมูลนิธิเนี่เป็นเงินที่เข้าออกใช้ด้วยความบริสุทธิ์จริงๆไม่มีการทะเลถลายไปทางอื่นแน่นอนดูแลสงอาพาสเท่านั้นนะวันะนั้นวันนี้พวกเราถือว่าเป็นวันมงคลสาหรับพวกเราจะได้ ร่วมกันคนละมากละน้อยเพื่อดูแลสงอาพาธเพราะพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าดูก่อนสงทั้งหลายผู้ใดก็ตามอยากปฏิบัติเราตถาคตให้ปฏิบัติภิกษุไขใ้ให้ดูแลภิกษุไข้อันนี้ก็คือพวกเราก็ะเดิดแปลว่าได้ดูแลภิกษุคข้เพราะเราได้เสียสละจะตก ป, ปัจจัยเพื่อบำรุงพระพุทธศาสนาเพื่อ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 เอ่อเมล็ดพฤสาคือหมักทันของเราเนี่ยต่อมากัเป็นแผ่ผูกพองใหญ่ขึ้นมาเท่ากับลูกตาลเนี่ยมีหลายตุ่มกรแตกพ้อแตเข้าปันแผ่มากระเละข้อเละที่แรกใหม่ๆมีพระสงฆ์สามเณรก็ช่วยกันดูแลพอต่อมามันเหม็นทีนี่พอมันเหม็นก็ไม่มีใครเข้าไปใกล้ทีนี่พอมันเหม็นขยะขยะแขยงพระสงฆ์ทั้งหลายโรบ พระพุทธเจ้าในวันนั้นท่านพระพุทธองค์เข้านั่งสมาธิจวนสว่างใกล้รนะุ่งคือพระพุทธเจ้าตีสามตีสเนี่ยพระพองค์จะนั่งเข้าสมาธิเข้าฌานสมาบัติจากนั้นท่านก็มองดูสัตวตโลกคล้ายๆว่าสายเลดาไปในขอบจักรวาลมีอันไหนบ้างที่พระพองค์จะได้เข้าไปช่วยคล้ายๆไปแนะนําสั่งสอนท่านก็มองไปใน กรอบจักรวาลมองเข้ามาอยู่ถึงวัดป่าเชิตะวันที่พระ อ, องค์ประทับอยู่ก็เห็นพระติดสะป่วยป่วยอาการหนักแทนไม่มีใครดูแลไม่มีใครดูแลท่านพระ อ, องค์บอกโอ้ถ้าเราไปโปรดติดสะติดสะจะได้สำเร็จเป็นพระอระหันต์ในวันนี้นะพอพระ อ, องค์ตอนชเช้าก็ไปบิณท บ, บาทมาฉันพอฉันได้ตอนสายสาแทานพระ อ, องค์ก็ คล้ายๆกับว่าขาเรื่องที่จะเสด็จภายในวัดลักษณะนั้นอ่ะพอพระ อ, องค์จะเสด็จภายในวัดพระ อ, อนอนท์ก็เดินตามหลังเดินตามหลังพระพุทธเจ้าพอเดินไปพระพุทธอคกก็เดินไปก็ไปเห็นไปไปเห็นพระติดสานั้พระติสานอนอยู่ใต้ทุ น, นไม่มีใครดูแลเพราะมันเหนม็นมีกลิ่นเหม็นข่าวพระโตกบอก ว, ว่าติดสัเธอเป็นอะไรโอ้ยข้าพระ อ, องค์ อ า, าพาธป่วยพระเจ้าค่ะมีผู้เอา้ามีผู้ดูแลท่านไหมเนี่ยไม่มีพระเจ้าค่ะเพราะว่าข้าพระองค์ไม่มีอติเลคาลาไม่มียศเอ่ไม่มีจิงเจี่จตตอบแทนพระเนนเลยไม่มีพระเนนเขามาดูแลกระผมพระเจ้าค่ะโอ้จากนั้นพระองค์ก็บอกไปอาโนนไปต้มน้ำพระอนุนมก็ไปกระต้มน้าพอน้าอุ่นขึ้นมาแล้วก็เออ ซักผ้าให้ซักผ้าให้พระติดสระแล้วเอาไปผึ่งแดดจากนั้นพระองค์เป็นผู้เอากระบวย y จากน้ําอุ่นราดพระติดสะนะพระอานอนท์เป็นผู้เป็นผู้ อ, อาบน้ําให้กับพระสงฆ์ก็คงจะมาช่วยกันเลยมาหลายองคมาลงมาตุ่มเพราะพระพุทธเจ้าเป็นผู้พาดําเนินเป็นผู้พาทำใช่ไหมพระสงฆ์ก็เลยเช่วยช่วยกันคนละไม้คนละมือทําความสะดนะ จากนั้นพอผ้าแห้งแล้วก็นิมนต์พระผ้าติดสรนอนพอนอนเสร็จแล้วเอ า, าผ้าห่มให้แล้วทเนี่พระพุทธออกก็ถามว่าดูก่อนติดสระเธอว่าร่างกายนี้เป็นของเธอใช่ไหมพระติชาก็ น, นิ่งถ้าว่าเป็นของเธอเธอบอกว่าอย่าเจ็บอย่าป่วยอย่าไขา้เธอบอกได้ไหมไม่ได้พระเจ้าค่ะ ถ้าเธอบอว่าร่างกายสังขารเนี่เมื่อบอกไม่ได้อย่างนี้เธอจะจัดว่าเป็นของเธอเป็นของเธออยู่เหรือไม่พระเจ้าข่านั่นแหละติดสร่างกายนี้เป็นไม่ใช่ของเธอนะเออเป็นอนัตตาเป็นอนิจจ์ของไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกอนัตตาไม่ใช่ตัวตนของเรานะติดสะนะเธออย่าไปยึดร่างกายสังขารว่าเป็นตัวตนของเรานะติดสะนะ เธอต้องปล่อยวางนะติสานะอย่าไปยึดมั่นจื้อมั่นในร่างกายว่าเป็นของเรานะติสะนะเพราะพระติสานได้ฟังพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าพระองค์กําลังเทศนาว่าการแนวอริยสัจให้พระติสากฟังพระติสาก็ได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์พอเป็นพระอรหันต์พระองค์ก็เดินกลับกุฏิจากนั้นท่านก็ได้มรณภาพในวันนั้น ในเมื่อมรณาภาพเสร็จแล้วพระองค์เขาว่าให้ไปไปเอาพระติดสรไปไปชมเพลิงพอไปชมเสร็จเพลิงเสร็จแล้วพระองค์บอกว่าให้นำกระดูกพระติดสรไปไว้ในทางสีแพ่งให้คนได้กราบได้ไหว้อันนี้คือกระดูกพระหรหันต์ท่านได้สำเร็จเป็นพระหรหันต์แล้วพระสงฆ์ทั้งหลายก็สงสัยเอ๊ะทำไม พระติศาได้สําเร็จพระรหันในช่วงไหนพระเจ้าค่ะเออช่วงที่เราไปเทศให้ฟัง เ, เรื่องให้พระติศาปล่อยวางไม่ให้ยึดยึดมั่นถือมั่นนี่แหละท่านได้สาเร็จในช่วงนั้นจากนั้นก็ทําไม น, นิสัยมักขนนิพานมีถึงขนาดนั้นทําไมจึงได้ใช้กรรมขนาดนั้นหนอพระเจ้าค่ะพระองค์บอกว่ากรรมเก่ากรรมเก่าคือสมัยก่อนหน้านี้เนี่ยพระติศะเป็นนายพลาน ไปนายพันไปเป็นนายพนนกอยู่ในป่าแล้วก็จับนกต่างๆเอามาขายถ้านกตัวไหนจับได้แล้วขายขายไม่ออกขายไม่ได้หักเปีกหักขามันเพื่อไม่ให้มันไปได้่างนั้นวันต่อมาจะค่อยเอาไปขายต่อเอกนี่แหละเป็นอาชีพของเขาอายุเขายืนยืนมากจากนั้น นี่แหละเขาใช้กรรมแต่ว่ากรรมดีของเขาก็มีในขณะที่เขาไปในป่าเขาไปดักแล้วในป่าเพื่อดักนกน่ะเขาไปได้ดักนกในป่าพอเข้าไปแล้วเขาไปเห็นพระเถระท่านหนึ่งอยู่ในถ้ำแล้วฝนตกทั้งวันทั้งคืนเจ็ดวันเจดคืนพระองค์นั้นก็ไม่มีลมไม่รู้จะไปทางไหนถ้าก็นั่งจุกอยู่ในถ้ำพระเถระท่านนั้นแต่นี้ ยอมผู้เป็นนายพลดักนกเอ๊ะไม่ท่านจะได้ฉันจังหันอย่างไงท่านอยู่ในถ้ำเราเดินผ่านก็ะแเห็นแต่ท่านอยู่ในในเงื้อมผานพอมาถึงบ้านตัวเองก็เลยมารีบทําอาหารเท่านี้พอทําอาหารเอาอาหารพวกอาหารนกอะไรแต่ทําอาหารเสร็จแล้วก็หอใบตองกล้วยอย่างดีเอ่อเพื่อไม่ให้ผลถูกเสร็จแล้วก็นําไปถวา ย, ยถวายพระเจริจุริยอยู่ในถ้ำ พระเทระไม่ได้ฉันอาหารพรทั้งหลายวันเพราะฝนตกพระเทระก็เยบอกว่าเ อ, อ่โยมคนนี้ก็เออสาธุนะบุญของข้าพเจ้าที่ได้ถวายพระทหารในวันนี้บุญกุศลเพื่อท่านได้สําเร็จได้มรรคได้ผลอย่างไรท่านรู้แจ้งเห็นจริงอย่างไรก็ขอให้ข้าพเจ้าได้รู้เห็นธรมอย่างที่ท่านได้รู้ได้เห็นด้วยทุกประการเทินพระเทระก็เออขอให้โยม ปาถนาสิ่งใดขอขอให้สมหวังดังปราถนาเธอเนอะยมเนอะพระเทเรซท่านนั้นก็เป็นพระรหันนะยันอยู่ในถ้ำท่านหมดกิเลสแล้วท่านก็ให้ศีลให้พรนั่นแหะบุญกุศลของออติดสารนั่นแหะทําบุญในคราวนะั้นเป็นคราวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดบุญกุศลตอนนั้นแ่ะเป็นเครื่องเกื้อกูลหนุนเขาจนถึงเขามาในภพนี้ชาตินี้จนเขาได้สําเร็จเป็นพระรหันจากนั้นก็ พระโตอก็บอกว่าดูก่อนสงทั้งหลายท่านเรียกพระสงฆ์มาไปชมแนะทีนี้เพราะว่าไม่มีใครดูแลพระติสานเนี่ยท่านก็เรียกเป็นพระสงฆ์มาไปชมที่ฟัดป่าเชตะวันพอไปชมเสร็จแล้วพระโต์ก็์ตัดว่าดูก่อนสงทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายเข้ามาบวชในศาสนาของเราตถาคตห่างจากพี่จากน้องจากพ่อจากแม่จากวงศสาคณาญาติแล้วก็มาพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันต่อไปนี้ ถ้าหากว่าพระอุปัชฌาย์อาจารย์ป่วยลูกศิษย์ต้องดูแลรักษาถ้าหาว่าลูกศิษย์เจ็บไข้ได้ป่วยครูบาอาจารย์ต้องดูแลรักษาถ้ า, าว่าผู้ใดไม่ดูแลรักษาปรับอาบัติทุกกฎผิดศีล น, นะพระองค์ก็บอกว่าดูก่อนสงฆ์ทั้งหลายผู้ใดก็ตามอยากปฏิบัติเราตถาคตอุปถัมภ์ประทัเราตถาคตให้ปฏิบัติภิกษุไข้ อานนี้สงบุญกุศลเท่าเทียมกันนี่แหละขอฟังไว้นะคระะับนัทธาญาติโยมความหมายและคำหมายที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวว่านี่คือคำนี้นเกิดขึ้นมาในที่พระติสัทธิระป่วยอาพาธหนักอยู่ที่กรุงอยู่ที่วัดป่าเชตตะวันมหาวิหารกรุงสวรรคถีนะที่พูดตรงได้ตัดคำนี้ขึ้นมาเพราะนั้นคานี้เป็น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 จงประสบประสบแต่ความสุขความเจริญความสุขความเย็นใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าของโครงการเนี่ยคุณสุ ร, สรพันธ์พัฒนาพีบูรณ์พร้อมกับครอบครัวนะขอให้มีแต่ความสุขความเจริญมีแต่ความสุขความเย็นใจปรารถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศิลธรรมก็ขอให้สมหวังดังปรารถนาทุกท่านโดยเทอ